แต่ด้วยความช่างสังเกตพอเดินนานไปก็รู้สึกว่าตัวหนักขึ้นไม่เหมือนโพรงว่างมีความทึบเป็นแท่งไม่เปราะบางเหมือนเมื่อครู่อีกทั้งความรู้สึกในตัวตนก็กลับมาดังเดิมจึงสำรวจตรวจตราว่ามีสิ่งใดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปน่าสงสัยจริงฉันก็ยังรู้ลมหายใจอยู่นี่นะ